อุลงโทษโดยถูกขับออกจากวันนาพรามอย่างที่ท่านเป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้ท่านลองทำตามนี้ดูท่านผู้เจริญความคิดทุงท่านแยกคายดีจริงๆทำไมนะข้าพเจ้าจึงไม่คิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่มีการสอบสวนเป็นครั้งแรกถ้าข้าพเจ้าได้ความคิดแต่แรกแล้วบานนี้ข้าพเจ้าคงจะอยู่เป็นสุขสบายกับบุตรพญาม่ต้องมาลาบากอย่างนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคาแนะนาของท่าน ตั้งแต่คืนนี้ทีเดียวและตั้งขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าขอลาก่อ เห็นพี่ปาละกระมาทําไมอ่ะรีบไปเถอะก่อนที่จะมีใครมาเห็นพี่ทนคิดถึงน้องไม่ไหวจึงได้มาหาน้องไม่คิดถึงเลยยังไงพอเห็นหน้าก็ขับไล่สายส่งพี่เป็นคนไม่ดีเป็นตัวสนิทจนไลไม่มีใครต้องการให้พี่มาที่นี่อีกถ้ามีใครมาเห็นหน่ะพี่อาจจะเป็นอันตรายได้นะกลับไปเถอะเราไม่มีวาสนาจะอยู่ร่วมกันอีกต่อไปแล้วน้องก็รู้ว่าพี่ ไม่เด้เป็นคนผิดอย่างที่เขากล่าวหาพี่ถูกเขาใส่ร้า ย, ายและที่มาเนี่ยนอกจากจะคิดถึงน้องแล้วยังต้องการให้น้องช่วยเหลืออีกด้วยช่วยเหลืออะไรข้าบถูดช่วยไม่ได้ยังไม่ทันรู้เรื่องเลยบอกแล้วว่าช่วยไม่ได้ได้สิน้องต้องช่วยพีได้ช่วยพูดกับพัวหน้าพรามขอให้พิจารณาเรื่องของกี้ซัใหม่อย่าให้คนบริสุทธิ์อย่างพี่เนี่ยต้องกลายเป็นผู้รัก บ, บาปเลยอย่าดีกว่าถึงพูดก็ไม่สำเร็จ ไม่ลองดูจะรู้ยังไงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จช่วยพี่สักครั้งเถงนะเสียเวลาเปล่าไม่มีทาชนะหรอกถึงแม้หัวหน้าพรามจะยอมพี่เชื่อว่าคราวนี้ต้องชนะถ้าหัวหน้าพรามทำตามอุบายไม่เอาไรอ่ะคืออย่างนี้นะ เราว่าเต็มความอ๋อนางเองเหรอเปล่ามิธุระอะไรถึงมาหาข้าพเจ้าจะมาพูดเรื่องปาลกะสามีของนางเนี่ยหรอเขาถูกขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วไม่มีอะไรจะพูดถึงเขาอีกแล้วนี่สิเต็มความปาละกะสามีข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้มีความผิดอย่างที่ถูกกล่าวหานางพูดเรื่องนี้ทําไมอีกละ่ะข้าพเจ้า อยากให้ท่าพิจรารณาเรื่องนี้ซะหน่อยเพื่อความเป็นธรรมขอท่านพรามจงกรุณาด้วยอย่าเลยรื้อฟื้นขึ้นมาเอง ก, ก็จะยุ่งยากเปล่าๆแล้วอีกอย่างหนึง่งถึงจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่จะมีประโยชน์อะไรปราลกะก็ต้องแพ้อเอครามิอาจจะชนะก็ได้นะท่านพรามชนะเหรอเป็นไปไม่ได้หรอก ปาระกะคนเดียจะสู้หลายคนได้ยังไงได้เสิท่านถามถ้าท่านทําตามที่ข้าเจ้าแนะนําทํายังไง่ะสอบสนเป็นรายคนอย่าให้คนทั้งเ้าได้พบกันไม่ให้มีโอกาสปรึกษากันได้และท่านก็สอบถามที่ละคนว่าปาระกะไปพบหม้อที่ไหนหม้อใบนั้นใหญ่เล็กขนาดไหนทําด้วยอะไรปาละกะหูกินยังไงถ้าหากคนทั้งเก้าตอบตรงกันก็เป็นอันเชื่อได้ว่า ปรากานะทำความผิดจริงแต่ถ้าคนทั้งเก้ า, าตอบไม่ตรงกันนั่นก็แล้วแต่ท่านพิจารณาเป็นความคิดเห็เอเอาเถะเราจะเรียกไปทุนพราหมู้ใหญ่ในหมู่บ้านทำการพิจารณาสอบสวนกันใหม่ขอบคุณท่านพราหม ข้าไปหลายวันได้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าได้เรื่องแล้วท่านสมณะแผนการของท่านเกือบสําเร็จแล้วข้าพระเจ้าแอบไปพบพันยาเมื่อคืนก่อนนี้อืมแล้วยังไงเธอตกใจมากที่ได้พบข้าพระเจ้าหลังจากวิงวอนขอความเห็นใจอยู่นานเธอก็รับปากว่าจะชี้แจงกับหัวนหน้าพราหมณ์ให้และคืนต่อมาข้าพระเจ้าก็ได้ไปหาเธอ ไปหาได้ความยังไงบ้างล่ะเธอบอกว่าหัวหน้าพราหมณ์เห็นใจข้าพเจ้าและเชื่อว่าข้าพเจ้าบริสุทธิ์แต่มันแล้วไปแล้วไม่อยากจะรื้อฟื้นให้เกิดความยุ่งยากอีกถึงแม้จะรื้อฟื้นขึ้นมาก็ไม่เชื่อว่าข้าพเจ้านะ่ะจะชนะคนเดียวจะไปสู้คนเก้าคนได้ยังไงแล้วพัญญาท่านว่า ย, ยัางไงพัญญาข้าพเจ้าก็บอกให้สอบสวนเป็นรายคนตามที่ท่านแนะนํา หัวหน้าพราหมณ์ก็เห็นด้วยและรับปากว่าจะลองปรึกษากับพราหมณ์ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านดูคืนที่แล้วข้าพเจ้าไปหาพัญญาอีกเธอบอกว่าพราหมณ์ทั้งหลายตกลงจะให้มีการสอบสวนใหม่กำหนดจะมีการประชุมกันบ่ายวันนี้ผลการสอบสวนจะเป็นยังไงข้าพเจ้าจะกลับมารายงานให้ท่านทราบ อ, อีกอย่างละเอียดข้าพเจ้าไปก่อนละ เย็นวันนั้นปาลกะก็มาหาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่มาคนเดียวแต่มีหญิงสาวและขามแก่คนหนึ่งตามมาด้วยถ้าทานเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเขาคงชนะความมาแล้วเป็นแน่ทีเดียวท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วขอแสดงความดีใจด้วยอ๋อนี่ปัญญาข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ามากราบขอบพระคุณท่านด้วยส่วนท่านผู้นี้คือ หัวหน้าพรามผู้เป็นประธานวันละในหมู่บ้านของเราข้าพระเจ้าเล่าเรื่องราวของท่านให้ฟังท่านก็เลยเกิดความสนใจขอติดตามมาสนทนากับท่านด้วยอาตมายินดีที่ได้พบท่านผู้เป็นประธานวันลนะวิธีการสอบสวนที่ท่านแนะนำไปนั้นเป็นวิธีการที่ฉลาดมากแม้แต่เราก็คิดไม่ถึง ถ้าไม่ได้อาศัยท่นานป่านใดปารากะ ก, ก็คงต้องได้รับชะตากรรมโดยไม่ยุติธรรมนับว่าท่านได้ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์และได้ช่วยสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราโดยแท้ในการพิจารณาตัดสินความใดๆก็ตามจะใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนั้นไม่ได้ เพราะเสียงข้างมากอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วนี้ควรจะใช้เหตุผลและสิ่งแวดล้อมประกอบไปหลายอย่างควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบใช้เวลา น, านานพอสมควรเอาละ่ะเรื่องก็ผ่านไปแล้วอาตมา ด, ดีใจที่ได้ช่วยให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในหมู่บ้านของท่านแต่อาตมาอยากจะทราบชะตากรรมของพรามทั้งเก้าคนนั้นท่านได้จัดการประการใด ข้าปเจ้าแล้วพราหมณ์ผูอวุโสทั้งหลายได้ตัดสินใจให้ขับออกจากวันณนะไปเรียบร้อยแล้วท่านเชื่อแน่แล้วเหรอว่าการตัดสินใจของท่านประกอบด้วยความยุติธรรมเข้าปเจ้าเข้าใจว่ายุติธรรมดีแล้วเพราะเขามีโทษ ถ, ถึงสองกระทงโทษสองกระทงนั้นมีอะไรบ้างกระทงแรกเขาได้กระทําผิด ทำเนียมพรามอย่างร้ายแรงโดยการบริโภคอาหารจากหม้อของคนจันทานระการที่สองเมื่อตนได้กระทำผิดแล้วยังตักปรำคนบริสุทธิ์อาศัยเสียงข้างมากเป็นเครื่องมือจนกระทั่งพรามอาวุโสหลงเชื่อและได้ลงโทษปาลกะผู้บริสุทธิ์ก็พระเจ้าคิดว่าเขามีความผิดหนัก สมควรได้รับการขับออกจากวันนะแต่อัตมาไม่เห็นด้วยอัตมาจะขอถามอุบาสกสักอย่างนี่เถอะถามมาเถอะท่านต้องการอยากรู้อะไรเมื่อพรามทั้งเก้าคนถูกขับออกจากวันนะแล้วความเป็นพรามของเขายังมีอยู่หรือไม่ ไม่มีแล้วท่านผู้เจริญทำไมถึงไม่มีละ่ะอุบาสกเขาถูกขับออกจากพรามขาดจากความเป็นพรามอย่างสิ้นเชิงเวลาไีนเขามีฐานะเทียบเท่ากับคนจันทานที่ไร้วันนะเท่านั้นรู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับวันน้าเนี่ยท่านและพรามผู้อาวุโสทั้งหลายในหมู่บ้านมีอำนาจมากพอดูทีเดียวถูกของท่านหมายความว่า ท่านมีอำนาจที่จะให้พราหมณ์กลายเป็นคนจันทานได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วท่านสมณนะก็เมื่อท่านมีอำนาจที่จะทําให้พราหมณ์กลายเป็นจันทานได้อัตมาก็เชื่อว่าท่านมีอำนาจที่จะแต่งตั้งจันทานให้เป็นพราหมณ์ได้เช่นเดียวกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะท่านสมณนะข้าพเจ้าไม่มีอำนาจอย่างนั้นและใครก็ไม่มีอำนาจนอกจาก ท่านบอกว่านอกจากอะไรนะท่านพราม์นอกจากพระพรหมองค์เดียวที่มีอำนาจการเป็นพราหมณใครว่าจะเป็นกันในง่ายๆไม่ว่าใครอยากจะสมัครเป็นพราหมณ์ก็เป็นได้ผู้ที่จะเป็นพราหม์ได้ต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นผู้เกิดในสกุลพราหมณ์บิดามารดามีวันณะพราหมณ์อันบริสุทธิ์ตลอดเจ็ดชั่วบุรุษจึงจะเป็นพราหมณ์ได้ถ้าอย่างนั้น การเป็นพราหมณ์ก็เป็นพรพิเศษที่พระพรหมผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ผู้เกิดในวันณ้พราหมณ์โดยเฉพาะถูกแล้วเป็นพรสวรรค์ที่พรามทุกคนมีสิทธิ์ได้มาแต่กําเนิดถูกของท่านสมณะเป็นพรสวรรค์ได้มาโดยกําเนิดเมื่อความเป็นพราหมณ์เป็นพรสวรรค์ที่พระพรหมประทานให้แก่ผู้เกิดในวันณ้พราหมณ์โดยตรงเช่นนี้ความเป็นพราหมก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ไม่มีมนุษย์ตนใดลบล้างได้ละสิถูกแล้วถ้าใครบังอาจไปลบล้างพรสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ชื่อว่าปฏิบัติฝ่าฝืนความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมเเอเอเอกลองคิดดูให้ดีนะอุบาสกเรื่องวันนะเป็นเรื่องของเทพเจ้าไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เมื่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างครามขึ้นมาก็ต้องให้พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ถอด มนุษย์ไม่ควรมันอาจไปก้าวก่ายอำนาจหรือขาดความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตั้งพราหมณ์ขึ้นมาแล้วมนุษย์ไปถอดถอนของพระองค์อาตมาเห็นว่าทำไม่ถูกแต่ถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วมนุษย์ถอดพราหม์ได้ก็ควรจะตั้งพราหมณ์ได้เช่นเดียวกันอาตมาขอถามอีกครั้งว่าการตั้งพราหมณ์เป็นเรื่องของเทพเจ้าหรือมนุษย์เป็นเรื่องของเทพเจ้า ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นเพียงมนุษย์อย่าไปบังอาจถอดความเป็นพรามอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแต่เขาได้ทำผิดทำเยียมของพราม์นี่ท่านครูเจริญเมื่อความเป็นพรามเป็นพระบัญชาของเทพเจ้าก็ไม่มีอะไรจะมาทำให้ความเป็นพรามของเขาสิ้นสุดลงได้การกระทำผิดทำเนียมพรามอาจจะทำให้ความเป็นพรามมัวหมองไปบ้างแต่ถ้าเราให้เขาประพฤติวัตระตามระเบียบ ชำระตนให้บริสุทธิ์เขาก็กลับเป็นพราหมณ์ที่บริสุทธิ์สะอาดตามเดิมเปรียบเสมือนทองคําบริสุทธิ์ตกลงไปในโคลนนํามาล้างแล้วก็สุขใสาตามเดิมท่านผู้เจริญความคิดเห็นของท่านมีเหตุผลน่าฟัางมากทีเดียวแล้วท่านเห็นด้วยหรือเปล่าข้าพเจ้าเห็นด้วยและจะนำมือนี้ไปปรึกษากับพราหมณ์อาวุโสทั้งหลายดู ถ้าทุกคนเห็นชอบด้วยเราก็จะให้อาภาัยแก่พรามทั้งเก้าคนข้าพเจ้าขอลาละ่ะเชิญท่านพราม ผู้เจริญออปาลกะมีอะไรอีกละ่ะถึงได้กลับมาที่นี่อีกข้าพระเจ้าจะมาบอกเรื่องพรามณ์อาวุโสประชุมกันพิจารณาเรื่องพรามณ์เก้าคนนั้นซึ่งได้ประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่ตกลงกันยังพราหมณ์ผู้อาวุโสเห็นด้วยกับความคิดของท่านและได้ให้อภัยแก่พราหมณ์ทั้งเก้าคนนั้นอาตมาดีใจด้วยที่ทุกอย่างเรียบร้อยลงได้ดีข้าพระเจ้า ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้เจริญที่ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ในครั้งนี้พัญญาข้าพเจ้าก็ฝากมาขอบคุณและ ท, ท่านผู้เจริญจะไปจากที่นี่เมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาอันสมควร หลังจากพักผ่อนอยู่ที่บ้านมาลาวะคาเระเทสนาสั่งสอนให้บรรดาพราหม์ในหมู่บ้านบรนเทาทิถีมานะในความเป็นครามด์บ้างแล้วก็ออกเดินทางต่อคราวนี้มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเพราะเดินทางไปทางตะวันตกไกลพอสมควรแล้วถ้าจะเดินทางต่อไปอีกจะไ ก, กลาจากกรุงรา ช, ชคฤห์เกินไปด้วยได้ให้คำว่าสัญญาแก่เทวมิตรอุบาศกไว้แล้วว่า จะอยู่ในบริเวณรอบนอกกรุงราชคฤห์เลือกที่อันเหมาะสมตั้งหลักแหล่งลงได้แล้วจะต้องแจ้งข่าวให้เทวมิตรภูบาศกทราบแต่กระทั่งขณะนี้ก็ยังเลือกที่เหมาะสมไม่ได้เดินทางไปทางทิศเหนือเป็นระยะพอสมควรแล้วจึงจะวกไปทางทิศตะวันออกจะได้วนเวียนอยู่ ใ, ใกล้ๆ ก, กรุงราชคฤห์ มาใกล้หมู่บ้านแล้วเข้าที่ทำสมาธิจนจิตเข้าสู่ความสงบทันทีก็เกิดนิมิตประหลาดในดวงจิตเห็นพระเวลุวานารามเห็นพระนครราชครือกำลังถูกไฟไหม้เปลวไฟลุกโชชว่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสูงกว่าภูเขาทั้งห่าที่แวดล้อมกรุงราชครือยู่นั้น จึงรีบออกจากสมาธิด้วยใจกระวนกระวายเกรงว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นแก่พระเวโุวนารามและกรุงราชพฤก์เห็นจะไม่หรอกนะนิมิต ท, ที่ปรากฏในสมาธิจิตเป็นเพียงภาพมายาหาความแน่นอนไม่ได้พระอาจารย์ทั้งหลายมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธานจึงสอนให้เมินเฉยต่อ น, นิมิตเหล่านั้นอย่าเอาใจใส่ อย่าลุ่มหลงมัวเมาในนิมิตถ้าใครหลงมัวเมาอยู่กับนิมิตก็จะไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นแห่งจิตเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางผ่านป่าจะไปสู่หมู่บ้านของตนถ้าไปมัวหลงเพลิดเพลินกับดอกไม้ในป่าก็จะไม่มีวันถึงหมู่บ้านของตนได้คิดได้อย่างนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมากทีเดียว นั่งพักเบสสักคนตามสบายเถอะอุบาสกข้าพระเจ้าชื่อเทวปิยะมาจากแคว้นกาลิงขัดทางภาคใต้ของชุมพูตวีปนับว่าอุบาสกเดินทางมาไกลามากทีเดียวถูกแล้วข้าพเจ้าเดินทางมาไกลามากท่านจะไปไหนได้ธุระอะไรอุบาสกจึงได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาไกลถึงป่านนี้ข้าพระเจ้าตั้งใจจะไปยังนครราชคฤห์จากราชคฤห์ข้าพระเจ้าก็จะเดินทางกลับบ้าน ท่านจะอยู่ราชครื้นานสักแค่ไหนละไม่นานหรอกท่านผู้เจริญถึงราชครืแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านทันทีกลับบ้านทันทีถูกแล้วท่านผู้เจริญทำไมถึงรีบกลับข้าพเจ้าจากบ้านมานานร่วงปีละคิดถึงบุตรพันยาเต็มที่านนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นตายรายดีประการใดราชคฤื้เป็นแหล่งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะต้องไปจาเป็นนักนะจาเป็นมาก ท่านคงมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ใช่ไหมอุบาสกถูกแล้วเรื่องของข้าพเจ้ายาวมากแต่ถ้าท่านใคร่จะฟังก็จะเล่าให้ฟังเล่าไปเถอะอุบาสกอาตมากําลังตั้งใจคอยฟังอยู่ทีเดียวขอให้ข้าพเจ้าดื่มน้ําลูบหน้าให้สบายใจสักนิดก่อนเถอะท่านพูดเลยตามสบายนะอุบาสก ชื่นขึ้นแล้วใช่ไหมเทวปิยะได้ดื่มน้ําได้ล้างหน้าล้างตาก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมากทีเดียวคงจะเล่าเรื่องของท่านได้แล้วสินะข้าพเจ้าจะเล่าอยู่เดี๋ยนี้ล่ะข้าพเจ้าพร้อมได้บุตรสองคนและพันยาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากนครกลิงคะประมาณกึ่งโยศครอบครัวของข้าพเจ้ายากจนมากข้าพเจ้าได้เช่านาของคลิหะบดีคนหนึ่งทำเลี้ยงชีพ แต่ในระยะสามสี่ปีที่ผ่านมานี่เทพเจ้าเบื้องบนไม่กรุณาสงสารข้าพเจ้าเลยไม่สงสารเลยจริงๆมีอะไรเกิดขึ้นล่ะเทวปิยะท่านจริงว่าเทพเจ้าไม่สงสารก็บริเวณบ้านของเรานี่สิท่านผู้เจริญเกิดฝนแรงทําน้ำให้ได้ติดต่อกันมาหลายปีเมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนเกิดความอดอยาก ต้องหาเผือกมันและกลอยกินแทนข้าวต้องทำงานหนักหาเงินมาซื้อข้าวกินเสียค่านาให้แกชจวยของนาอะไรกันอุบาสกนาไม่ได้ทำท่านจะต้องเสียค่าเช่าอีกเหรอต้องเสียสท่านผู้ช่วยทำไมต้องเสียละ่ะเราเช่านาเขาทำเป็นรายปีในตอนต้นต้นปีมีฝนตกลงมาบ้างเราได้ทำนากันแต่แล้วฝนก็หายไป น้ำที่มีอยู่บ้านก็แห้งหายไปหมดข้าวกราบที่ลงก็เคี้ยวแห้งตายไปเป็นเช่นนี้มาสามปีเจ้าของนาก็ถือว่าเราได้ทำนาคนเขาแล้วเขาก็เร่งร้องเอาค่าเช่าแล้วบอกกับเขาหรือเปล่าล้ ว, ว่าทำนาไม่ได้ผลข้าพระเจ้าบอกแล้วไม่เพียงแต่จะบอกอยังอ้อนวอนขอความเมตตากรุณาผ่อนผันแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเสียงยินยันจะเอาค่าเช่าให้ได้ รู้สึกว่าเจ้าของนาในเฮียมโหดทารุณมากนั่นยังไม่ทารุณเท่าไหร่นักหรอกท่านสมณักถึงแม้เราจะต้องเสียค่าเช่านาเราก็ยังพวนขวายหามาเสียได้ถ้าเสียให้ไม่ทันขอผลัดผ่อนเขาก็ยินยอมแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่สิมันทารุณมากอะไรละ่ะอุบาสกผ้าสี ภาษีภาษีอย่างนั้นเลยเทวบิยถูกแล้วท่านผู้จเจริญเราจะต้องเสียทุกปีภาษีอะไรเนี่ยภาษีที่จะต้องเสียให้แก่มหาครูผู้เป็นใหญ่ในาศาสนาของเรามหาครุอะไรอุบาสกอาตมาไม่เคยได้ยินทางแถบเหนือเนี่ยอาจจะไม่มีมหาครูท่านจึงไม่รู้เรื่องในดินแดนของเราดินแดนของเรานน้นมีมหาครู เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนืออาณาบริเวณต่างๆท่านเป็นนักบวชสถิตยอยู่ในนครของท่านนคร อ, อะไรนครปุญญาสถานะท่านประทับนั่งบนอาสนะรูปสิงเรียกว่าสิงหาสนะท่านเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์มีวาจาศักดิ์สิทธิ์อาจจะทำให้ใครเป็นหรือตายได้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงคนทั่วไปเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ อาจจะสาบแช่งให้ใครกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือกลายเป็นหินไปก็ได้มีบางคนทําให้ท่านขัดเคืองใจจึงถูกสาบให้ตายในสามวันอย่างนั้นเจอะบางคนท่านไม่ทําให้ถึงตายเพียงแต่ทําให้ประสบภัยพิบัติประสบภัยพิบัติยังไงไฟไหม้บ้านบางังปรสุสัตว์ตายบางังทรัพย์เสียหายด้วยวิธีต่างๆคนก็เลยหวาดกลัวสิถูกแล้วท่านผู้เจริ์ ตางวาดกลัวมาหาคุรุมาไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนคำสั่งหรือทำให้ท่านเกิดความไม่พอใจท่านเรียกร้องต้องการสิ่งใดจะต้องขวนขวายหามาให้ท่านจนได้ตรงกันข้ามถ้าท่านอำนวยพรให้ใครแล้วผู้นั้นจะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตอืมน่าสนใจมากทีเดียว นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกไหมอุบาสกมีท่านพู้เจรแม้แต่ร่างกายของท่านมหาคุรุและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายของท่านหรือที่ออกมาจากกายของท่านคนจะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วข้าพเจ้ายังเคยไปในมรสการท่านแล้วยังไงล่ะไปถึงข้าพเจ้าต้องทำความเคารพท่านด้วยการนอนคว่ำหน้าราบลงไปให้อวัยวะแปดแห่งถึงพืช เส็จลาลุกขึ้นทางเอาภาชนะน้ำไปล้างที่ท้าของท่านแล้วลองเอาน้ำนั้นมาประพรมที่ศีรษะและดื่มส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็เชื่อว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขประสบแต่โชคลากมีบางคนถึงกับยื้อแย่งรองปัสวะของมหาครูยื้อแย่งรองปัสวะไปทำไมเอาไปอาบเอาไปกิน อากินปัสสาวะถูกแล้วท่านผู้เจริญเศษอาหารและน้ำล้างมือข อ, ของท่านก็ไม่มีการทิ้งไม่ทิ้งแล้วทํายังไงผู้เลื่อมสายศรัทธาจะนำไปกินไปพรมศีรษะด้วยความเคารพบูชาอาตมาขอถามนายเถ้าอุบาศกท่านผู้เจริญต้องการจะถามอะไรถามเถิดท่านได้ดื่มน้ำล้างเท้าของมหาครุแล้วใช่ไหมใช่แล้วและยังได้รับพรจากท่านด้วยถูกแล้วก็นี่แหละ แล้วทำไมท่านจึงประสบทุกข์ล่ะทำไมท่านไม่เจริญก้าวหน้านในชีวิตละ่ะเรื่องมันมีท่านผู้จิเลศข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปเอาอาตมาจะคอยฟังตามปกติเราเป็นสาวกของมหากรุปจะต้องเสียระษีที่เรียกว่าทักษินาหรือปาธกากะนิให้แกมหากรุ๊เป็นประจำทุกปีพะสิ้นปีจะมีเจ้าหน้าที่จับปุญญสถานละของมหากรุ ออกไปเทียบเก็บภาษีจากสาวกถึงบ้านถ้าหากสาวกคนใดไม่สามารถจะเสียภาษีได้เจ้าหน้าที่จะเลื่อนเวลาไปให้อีกหนึ่งปีแต่ในปีที่สองจะต้องเสียภาษีสองเท่าถ้ายังไม่มีเงินจะเสียในปีที่สองเขาจะเลื่อนไปให้เสียในปลายปีที่สามแต่จะต้องเสียสามเท่าเมื่อครบสามปีแล้วมหาครู จะออกเยี่ยมประชาชนด้วยขบวนอันมโหฬารที่ว่ามโหฬานน่มะมโหฬานยังไงองค์มหาคุรูจะนั่งภายในกุบซึ่งประดิษฐานอยู่บนหลังช้างอันประดับตกแต่งอย่างวิจิตรประการตาข้างหน้าและข้างหลังช้างจะมีขบวนม้าเกียรติยศขับขี่โดยองครักษ์ที่แต่งตัวอย่างสวยงับสองข้างของชาวส่งจะมีเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งถืออาวุธเดินขนาบข้างทัดจากขบวนม้าไปข้างหน้า เป็นขบวนนักดนตรีดีดสีตีเป่าเพลงต่างๆเป็นที่เอเกืข้างหน้านักดนตรีเป็นขบวนคนถือธงหลากสีขบวนคนถือธงเหล่านี้จะร้องเพลงสรรเสริญเกียรติคุณของมหาครูเป็นระยะระยะข้างหน้าขบวนคนร้องเพลงจะมีเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งคอยไล่ฝูงชนหลีกทางให้ขบวนและเตือนให้ทุกคนทําความเคารพต่อมหาครูสองข้างทาง ผู้คนจะจุดธูปเทียนและนำดอกไม้ของหอมมาตั้งบูชาแก่มหาคุรุบางคนมีศรัทธาแก่กลา้าก็ได้เอาผ้าใหม่ของตนปูราดบนพื้นถนนเพื่อให้ช้างทรงของมหาคุรุเหยียบแล้วถือว่าผ้านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคลาภมาให้ตามทางที่มหาคุรุผ่านประชาชนจะทำซุ้มด้วยกิ่งไม้ใบไม้ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ท่านผู้เจริญข้าพเจ้า บ, บรรยายไม่ถูกเหมือนกันว่าขาบวนแห่ออกเยี่ยงประชาชนของมหาครูนีใหญ่โตมโหฬารเพียงใดแต่ถ้าท่านได้ไปเห็นด้วยตาของท่านเองนั่นแหะท่านจึงจะเชื่อว่ามันเป็นพิธีมโหฬารจริงๆเท่าที่ท่านได้บรรยายให้ฟังเนี่ยอาัตามาก็พอจะวาดภาพดูได้ว่าเป็นขบวนที่ใหญ่ยิ่งมากแต่ก็อยากจะถามท่านว่ามหาครูออกไปด้วยขบวนอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นเพื่ออะไร ถ้าดูตามหลักแล้วท่านออกไปเยี่ยมบรรดาสาวก